ทำกันโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับการพังทามกันอย่าทำจิต ด, ดีนอย่าพัง่วงอย่าเพั ง, ง, ง, เพงคิดลาดทางอืน่นให้จัดสรเวลาให้เจอตัวเราบ้าง แล้วก็เราก็เป็นเพื่อนกันเป็นผู้ที่แสวงหาความหลุดพน้นจากทุกท่องปวงจับชีวิตของเรานี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีเหมาะสมดีแล้วโอกาสเช่นนี้จุกคนก็ตั้งใจม้า ศึกษาหาความหลดท้นก็เกิดความพร้อมเพียงกันทําวัดชดมนต์สาธยายพระสูตรคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ในบรรยากาศที่โอโชล น, นิเวธทางพุทธศาสนา อากาศบริสุดธิยามหายใจเข้าหาใจออกเจากยาวใส่ความรู้สึกเข้าไปฟังทักได้ยินเฉียงถิ่เฉียงทองไม่ซอบซึมเขาเ้าไปจิตใจด้วยอาหารกายอาหารใจฟังคนไปการหายใจเข้าหายใจออกเป็นอาหารทาย ปอดจะเป็นผู้ที่ผิดอาหารออกออกซิเจนเข้าไปอะไรที่เป็นคาร์บอนปอดจะพอกทิ้งไปทำให้อากาศดีกมีประโยชน์ต่อสุขภาพคำสอนแต่คำสอนอาจจะจำได้ ็นคำสอนของพ่อแม่จำได้หลายคำสิ่งที่ท่านพ่อแม่บอกจนไม่ลืมเท่าทุกวันนี้เหมืนกับพ่อแม่บอกสอนเราตลอดเวลาอายพ่ออายแม่เคารพมากอะไรที่ผิดคำสอนพ่อแม่ถือว่า อายไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำทำไว้ในใจอยู่เสมอคมสอนของครูออจาย์ตอนนีส้สอนภาษาไทยยังจำได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ลูกบุญคนของครูออจารย์อยู่ตลอดเวลาเา็ได้อาศัย ถ้าน้าเราเป็นคนไทยก็เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ภาษาไทยอยู่เป็นประจําก็ได้บทเรียนจากครูบาอาจารย์มาทำในใจลืมไม่ได้หนักอยู่ในหัวใจของเรานี่คําสอนของอุชาอาจารย์ยังได้ยินอยู่ของพ่อเทียนสอน อาจารย์อีกหลายอาจารย์ที่สอนเราให้เราได้รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลึกซึ้งลงไปแต่เมื่อยังไม่ได้ฟังคำสอนครูอาจารย์ที่เป็นบรรพุลุดปละพาอาจารย์หลายหลายลูกเราก็ไม่เชื่อมซับถึงพุทธศาสตร์ศาสนาอย่างแท้จริง ก็ยังไม่ลืมแม้จะนานมาแล้วก็ลืมไม่ได้มันไม่ลืมมันของจริงโอ้เนี่ยยิ่งเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเมื่อได้ยินมาเอามาทำดูยิ่งวิเศษเดินพระพุทธเจ้าสอนว่า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 เจ้ากนได้ยินแล้วเก อ, อดเป็นภาษาบาลีทำวัดเชา้ทาทำวัดเย็นาลิยมกักยองแปดบ้างทำไม้จักกว่าวัดแตสฉตรบ้างเกี่ยวกับทางสายนี้ทั้งนั้นที่แยกแยะไปให้ได้เป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชำนาญในทางเส้นนี้ ว่ามีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำเราทุกคนก็มีกายทุกคนก็มี จ, จิตใจมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำกเราจะดการจะทำอย่างนี้คือวิชากรรมาฐานก็เป็นวิชาที่เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อจะทําให้เกิดความรู้สึก ไ่ในกายเป็นประจำได้อาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งแห่งความรู้จักตัวอย่างนี้เราจึงได้หัดตรงนี้หัดเอาใครเอาเราอาศัยกันมาได้ตัวใครตัวมันมันจะเกิดขึ้นพะกพอการประกอบ การประกอบวิการกระทำหรือวิการบัรนั้นมีสติปัญญการเป็นประจอมทำอย่างไรที่จะมีสติปัญญการเป็นประจอมก็บอกแล้วสอนแล้วแต่การกระทามอยู่ที่เราเทนด้านเทียงไม่ทําเมื่อทำห น, นี้อะไรเกิดขึ้นยเยอะยะเหมนทางที่เหมือนติด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 เป็น อ, อาสาที่ต้องสมัครเดินไม่เรียกร้องความช่วยเหลือเหตุเหนื่อยไม่ล่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยามเปินอยู่ไบ่อยไม่โทษถอยเปินความหลงแล้วรู้อีกหลงที่ใดก็รู้อีกหลงกี่ร้อยครัง้งพันครัง้งก็รู้ร้อยครัง้งพันครัง้งไม่ยอมมันทุกข์มันโกมัน เคียดมันอะไรต่างเกิดเพี้นก็รู้ไปโตนกดีบทเรียนที่ดีประสบการณ์ที่ดีเจินทางสายนี้สำเร็จไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ที่เก่าหวมงหลงไว้หลง ความทุกข์ไว้หลังความโกรธไว้หลังความผิดไว้หลังความถูกไว้หลังความสงบไว้หลังควาพุ่งสนไม่หลังผ่านได้ทุกเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ผ่านได้ทุกทุ ก, ท, กทุกแบบนิวรทางสายกลางเดินคนเดียวผิดเองก็ต้องแก้เองถูกเองก็ต้องรู้เอง อันใดที่ผิดกฎละอันใดที่ลูกว่าท้ไปมันเป็นอย่างนั้นการชัมผัสกับความผิดความถูกไม่ต้องถามใครเช่นเท่าเราเดินทางก็ต้องรู้จักว่าผิดแบบางเขาลูกเขาพ้องว่าเท่าเหมันบอกเรื่อคนตาบอดมันก็ยังลู่ได้ผิดทางก็ลู่ได้สัมผัสเราก็ลู่ได้ หัสมันก็มีสัญญาที่ได้บทเรียนทำให้รู้ได้เป็นคนตาอบอร์ดนับเงินไวบาทท่าบาทฉ0บบาทไปร้อยไ้พันรู้จักรหั ส, หสอะไรมันบอกมันมีความ ใบต่อระบบอื่นก็มีเล่นคนต่อบอร์ดหมูหนวกอะไรต่างๆคนต่อบอร์ดเล่นดนตรีมันมีญนวนที่โน้ตจับได้ดีกว่าคนตาดีเพราะมันไม่ถูกแบ่งแยกการเพก่สติก็เหมือนกันอาจจะมีได้ไวขึ้น คมรู้สึกตัวจะมาไวก่อนความหลงจึกไปฝึกไปต่อใหม่ๆจะง่ายที่หลงต่อไปต่อไปมันง่ายที่จะรู้ตรงกันข้ามระะว่างความหลงกับความรู้ต้องกันข้ามเมื่อแต่ใส่ใจดีๆชั่นหน่อยให้ซึมซับสัมผัสมัเ น, นเป็นยังไรทุกเป็นยังไงให้ทุกคือรู้สึกตัวเป็นยังไง ไม่ต้องมีใครมาบอกผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกเองเห็นเดงลูกเองเป็นปัจจัตงังอย่างนี้เยียกว่าผลของการปฏิบัติตำไรต้องมีผลโดยเฉพาะปฏิบัติฝึกสติเหมือนหน่อโพธิหน่อนี้โพธิตั้งต้นจากสติ สติต้องมีในกายจึงจะเป็นสติปัฏฐานต่อไม่ประกอบก็ไม่เกิดขึ้นได้ประชื่อไปหาไม่ได้ประกอบขึ้นมาีว่าภาวนาขยันประกอบขยันรู้ที่ว่าภาวนาทำได้แขงกับความหลงมีคู่แข่ง ร้อมหลงกับความรูกคู่แข่งกันความทุกข์กับความไม่ทุกข์คู่แข่งกันความโกรธความไม่โกรธคู่แข่งกันทำคู่แข่งกุศลอกุศลมันจะชำนาญตรงนี้บอกผิดบอกถูกเพราะมันได้สัมผัสจึงเป็นศาตรเป็นชินการชา น, ชนาญเรื่องนี้ มันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลก็ทำรายกิเลสความเศร้าหมองความไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องขึ้นมาสมาธิทำรายปัญญาทำลายสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นมานความดีเป็นปัญหามันก็ได้ปัญญาจากปัญหา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 โกรธก็ลืมไม่เป็นก็มีทุกข์ก็ลืมไม่เป็นก็มีเป็นคนอมทุกข์รูปทุกข์นอมทุกข์แทนที่จะเป็นรูปไม่ทุกข์นานไม่ทุกข์หนักยึดมั่นถือมั่นปุพเพทานหรือว่าตัวเรายึดเอาควาทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนทมตามคมทุกข์เสียผู้เส้อคนก็มี เพราะเราไม่รู้แบบนี้เรามาลูชักตัวเนี่ยเมื่อเกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาศิลก็มาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยแป็แรงเป็นเครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้นการขับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความดีคหรุพลนน่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นเช่นพูดประสา ศา ส, สนาดีกว่าเรื่องฌานเรื่องยานเรื่องอะไรต่างๆจะแทบเป็ความชํานานสติ น, น, นี่เองสติเป็นญานขนชงสติเป็นฌานเ ผ, า, น า, น ผ, า, ผาไม่สติเป็นฌานที่ดูอะไรเห็นทันทีสติ น, น, นี่แหลเป็นฌานอย่างยิ่งตีมันใบเนี่ย ไม่มีอะไเหลือว่าอาโกชนนี่บอกที่เดียวไม่เป็นเลยหรือว่าฌานมาเทียนหรือว่าชาปน ก, กิจอันนี้เป็นชานที่เผาเพ่งเผาให้ซากศพที่สงปกหมดไปการนที่เป็นเพ่งเผาความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในกายก็ิปหมดไปเหลือแต่ความดีนี่มันมีหลายอย่าง ที่เราเรียกว่าเป็นภาษาสมมุติปัญญัติเพื่อให้คนเข้าใจแต่จริงๆมันคือสติที่มันสติปัฐานเป็นสติอันยิ่งที่ว่าสิญยิ่งสมาธิยิ่งปัญญาอยิ่งสิ่งที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันที่เข้าไป คือว่าเฉลี่ยเศร้าหาเสียนได้ไม่มีคําว่าทุกข์อากเฉ็นทุกข์มีคำจัดทุกข์แท้ๆโพสทุกข์ตอนเริ่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตอ น, นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตอนเดับไปเมื่อไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีอะไรเราคิตนี้คือเป็นนิพพานไปเลยปัติมันจะไม่ใช่สติธรรมดาเป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญาไป เอ่ยจากสตนี่เป็นที่ตั้งของอกศุศลของกุศลทั้งหลายสตินี่ทำลายากศุศลทำลายอากศุศลลีนมันแข็งบางที่จิงเต้พูดมันหลังมามันพูดให้ไม่ทันมาเป็นหมูเป็นหมูมาพูดกันก็ไม่ลีมนมเลยแข็งไปไม่เคยได้ เสีย ง, ก, ย ง, ง, งก็ไม่ค่อยจะดีต้องใช้พลังงานมากไม่ค่อยสะดกผู้ฟังก็จะไม่ไม่ค่อยสะดวกเพราะภาษาบางทีมันลี่นเปมนเตาบัดไปก่อนทนมันพูดไทยไม่ทัน จึงเป็นเฉนประกอบลเลยก็เลน้อยการพูดกันบอกเนี่ยจากจะพูดอยจะบอกอดไม่ได้หรอกเร า, าไม่ได้บอกทําไมจะบอกผิดบอกถู ก, ถกแต่ผู้โตคนเราปล่อยกันทิ้งไม่ได้ปล่อยกันทิ้งไปได้เรื่องนี้คอขาดบาดตายถ้าผิดก็ผิดไปเลยทดลองไม่ได้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 ชีวิตบริสุทธิ์ดีีไปเปืเ่อ น, เ, นเหมือนของใชยดีๆเคยเก็บมีดยอยู่ที่บัดป่าสกุโ ต, โตได้หลายเริ่มมีด ด, ดีทิ้งเอาไปใช้ไปพูกเขาท้องก็มีเดิ น, เ, นเก็บเอาที่นี่ของดีมันมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้จักซ่อมแซม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 ทำไมควบคุมโวกนั่นนรเกิดปัญหาเกิดตัวบทกฎหมายเกิดสตาวุธเกิดกองทัพเกิดคุกเกิดตรลังขึ้นมาเพราะไม่รู้จักควบคุมความชั่วความไม่ถูกต้องที่เกิดตบกากับใจเรานี้จนไปเบียดเบียนคนอื่นทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วไม่พอแต่ไปคนอื่นร่อนออกไปทั้งโลก เม็ดตินป่าไม้อากาศเวลามโซนเชียหมดะเป็นเฉลรวมตกมาเป็นเฉลรวมจะรับโทษเท่าๆกันเช่นเรียนพ่ออากาศพ่าฝนสุรทาไม่ถูกต้องตามหลัการเพราะคนทำไม่ถูกต้องทำลายธรรมชาติ ผู้ที่ไม่ทำลายธรรมชาติก็ได้รับความเดือดร้อนแต่นี้เป็นเรื่องเรียบด่วนต้องดีคนเดียวไม่ได้มันจะเป็นโทษรวมก่อนส่วนรวมที่เกิดกับเราเป็นสนตัวแต่เป็นสวนรวมถ้าเป็นความชั่วต่อความดีก็เป็นสนรวมที่เกิดความดี อั น, นี่ทิ้งกันไม่ได้เรื่องนี้ต้องรีบแก้ไขบอกผิดบอกถูกต่อกันแนะกันรออย่างไรก็จะพยายามแก้รออย่างไรก็ไม่ททษไปทิ้งอยาเป็นมิตรเป็นเพื่อนผู้ที่มีปัญหาผู้ที่มีปัญหาผู้ไม่มีปัญหาก็ ยิ่งมาเป็นเพื่อนกันก็ดีจะได้ประครับประครองกันไปพี่รูสองน้องรู้หนึ่งแรงสลับสนุนของเคียวกันไปอาจจะมีชัยชนะนนเกิดความดีขึ้นในโลกนี้แน่นอนไม่สายเกินไปไม่นานจะเกินไปเพราะอยู่ที่คนเราทุกคนถ้าทุกคนเรามา แค่ไขปฏิบัติคิอเปลีป่ยนล้ายเป็นดีซะว่าเกิดคนนี้ขึ้นไม่นานไม่รอนานจะเกินรอคนไทยหกสิบกว่าล้านคนนี่ทุกคนนับหนึ่งจากตัวเราเนี่ก่อนจะเกิดขันท่สุขสงบร่มเย็นไปทั้งประเทศ ปฏิบัติธรามนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางเริ่มต้นที่ดีท่ามกลางที่ดีจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องที่จุดไปที่เดียวกันจริงๆถึงที่เดียวกันจริงๆไปคนเดียวจริงๆด้วยกันไม่ได้จริงๆมีแต่มาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรจะสถานที่ใไ้ เอาจิงๆแล้วตัวใครตัวมันเป็นครูอาจารย์ของตัวเราเองไม่มีใครช่วยเหลือเราได้พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เช่นพระฉันนะซึ่งพระออพระศิลปะจะออกฝหนงวดแต่ยังไม่เป็นพุทธเจ้านนทนยดได้ สิตาถาได้ปรัสลูเป็นผู้เจ้าปรร n o บวดต้อมก็ได้ฟังคำสอนทุกเรื่องทุกเาวาแต่ฉันนะไม่ปฏิบัติยกตัวเทียมท่า น, นทิฏฐิมาณนะว่าเป็นผู้นำพาออกปวดปวดน้องภิกษุอื่น จนเพครู อ, อื่นๆตักเทือนแล้วก็ไม่ยองหรือนาบดีชส้ขวบบกคันลาสาริบุตอานอนท์จึงเป็นสาชาติเดียวกันก็เตือนก็ไม่เชื่อฟังอย่าเอาที่พระเจ้ารงแต่งตั้งเป็นอุปถากมาคูอย่าเอาพวกเป็นสาวกใส้ขวบมาคูเรามานยิ่งใหญ่กว่าท่าน พระพุทธเจ้าจบบวชต้องบวชทั้งแรกที่สุดท่านจะรู้เรื่องอะไรไม่เชื่อฟังใครจนพระเจ้าปริิพานจนใกล้ปริพพานสงไปถามไปทูลถามพระพุทธเจ้าจะทำไงกับพระฉันดานี้เจ้าก็บอกว่าปล่อยที่งจ้าอย่าไปเจียวข้องหย่าตักเตือน ว่ายิ่งอยู่คนเดียวหรือ ว, ว่าอย่างไรก็เขาว่าไปป่านนั่นก็มีพระเจ้าช่วยไม่ได้ตั้งที่เป็นสาชาติคือฉันนะมากันทะกะเพิมพาสิมหาโพการุทายีเป็นสาชาติเกิดบรรเดียวกันปีเดียวกันเวลาเดียวกัน เจ้าตทธนะนํามาอยู่ที่ล้าเชาวบ้องว่นนั้นก็ยังสอนไว้ได้นั่จึงเป็นตัวไขตัวมันโอกาสก็มีแล้วดึกพยายามหาโอกาสจะโทษจุลละ ให้สนใจเรื่องนี่ชีวิตจะมีค่าถ้าไมศึกษาแล้วนี่จะไม่มีค่าที่ไม่คุ้มค่าเลยจะได้พูดสักคำหรือว่าสมนึกได้สักคำเอาแล้วตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปเพราะว่าคองมสุกความทุกข์เกิดจากใจนี่จะไม่มีอีกแล้วเกิดจากกาจากใจจะไม่มีอีกแล้ว เจะไม่เอากายเอาใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์อีกแล้วจะไม่เอากายอาใจนี้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอีกต่อไปแล้วคุ้มค่าแล้วที่พ่อแม่ใกนเถิดเกิดมาคุ้มค่าแล้วยกมือไหว้ตัวเองคิดถึงบุญคุณพ่อแม่คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างให้สำ น, นึกขึ้นมาอย่างนี้จริงๆดูสิจะเกิดอะไรขึ้นในโลกเนี้ย แต่เรามาคิดแต่เรื่องอื่นจะเรื่องดีเรื่องเด่นเป็นเรื่องอื่นชนะแต่เรื่องอื่นไม่ชนะตัวเองนี่แล้วก็ไม่ชนะประเสริฐเจ้าชนะฉินชนะตัวเองนี่เป็นชนะประเสริฐชนะคนอื่นลอยข้างพันหนุนไม่เช่าชนะจนแม่ข้างเดียวเจ้าชนะเฉินเรื่องนี้มาก